266. ปฏิสารณียกรรมปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปฏิสารณียกรรม 447. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ ขอระงับปฏิสารณียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารณียกรรมเอาละพวกเราจะระงับปฏิสารณยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม ระงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิษุรูปนั้น